ห้โลกียธรรมและโลกุตตรธร ร, รมวงเล็บเปิดเจกุมภาพันสองพันในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดภาวนาต้องรู้หลักถ้าไม่รู้หลักก็สับสนไปเรื่อยๆเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมีจํานวนมากเหลือเกินธรรมะที่ท่านสอนนอกจากมากแล้วยังมีหลายระดับด้วยเป็นธรรมะที่จะอยู่กับโลกก็มีธรรมะที่จะพัฒนาตัวเองให้เหนือโลกก็มีธรรมะที่อยู่ในโลกไม่สามารถช่วยเราให้ขึ้นไปเหนือโลกได้ ขึ้นโลกุตระไม่ได้แต่เป็นพื้นฐานถ้าไม่มีธรรมะระดับพื้นฐานเราก็ขึ้นไปสู่โลกุตระไม่ได้เหมือนกันแต่ลำพังธรรมะขั้นพื้นฐานมีทานมีศีลมีสมาธิพวกนี้ยังไม่สามารถพาเราไปสู่โลกุตระโดยตรงได้ต้องมีการเจริญปัญญาดังนั้นธรรมะมีหลายระดับ ธรรมะที่จะอยู่กับโลกพื้นพื้ น, นทั่วไปสอนให้เป็นคนดีสอนให้ไม่ทำความชั่วไม่ให้เบียดเบียนกันแล้วก็สอนให้รู้จักดำรงชีวิตอย่างฉลาดเพื่อจะได้อยู่กับโลกแบบทุกน้อยๆหน่อยอย่างสอนไม่ให้คบคนพาลสอนให้คบบัณฑิตอย่างนี้ถ้าใครไปคบคนพาลก็ลำบากอัปมงคลกับชีวิตถ้าคบบัณฑิตก็เป็นมงคลกับชีวิตธรรมะของท่านมีหลายระดับหรือการดำรงชีวิตอยู่ในโลกท่านก็ยอมรับว่าความสุขมีหลายอย่างนะ ความสุขจากการที่มีทรัพย์สินเงินทองก็มีหาทรัพย์สินเงินทองมาได้ความสุขจากการใช้ทรัพย์สินเงินทองก็มีไม่ใช่ท่านปฏิเสธฉะนั้นเรารู้หน้าที่ของเรายัางทำมาหากินอยู่ก็ต้องทํามาหากินไม่ใช่ขี้เกียจขี้คร้นานธรรมะบางอย่างดูแล้วตื้นตื้นแต่ถ้าเราไม่ทําเนี่ยโอ้ยความทุกข์มันตามมาแสนสาหัสเลยยังคบคนผ่านถ้าใครปล่อยให้คนผ่านเข้ามาใกล้ตัวนะโอ้ยลําบากกว่าจะไล่ไปได้สักคนหนึ่งไม่ใช่ง่ายเลย คนพาลคือคนที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีใครเข้าใกล้ก็ลําบากหรืออย่างศีลห้าดูเผลอๆไม่เห็นจะมีอะไรมากถ้าเราไม่มีศีล น, นะชีวิตเราลําบากฉะนั้นคนไหนมีศีลก็มีความสุขชีวิตสงบร่มเย็นมีพื้นฐานที่ดีนี่ธรรมะระดับโลกโลกธรรมะที่จะขึ้นไปเหนือโลกก็คือเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ก็ต้องเรียนแต่เป็นธรรมะอาภัพไม่ค่อยมีใครเรียนพวกที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลาย เอาเข้าจริงก็ไม่ค่อยได้เจริญวิปัสนาอย่างเก่งที่สุดก็ทำสมถะไปไหนไปไหนก็เจอแต่คนทำสมถะแล้วไม่รู้ว่าวิปัสนาทำอย่างไรไม่รู้ว่าจาเป็นอย่างไรด้วยซ้ำไป